5. อาอเจละกะวักหอเจละกะสิกขาบท169ภิกษุให้ของเคี้ยวหรือของฉันแก่อเจละกะปริภาชกหรือปริภาชิกาด้วยมือตนต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังให้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี 2. อ, อุยโยชนะสิกขาบทภิกษุผู้กล่าวชักชวนภิกษุว่าท่านจงมาเถิดพวกเราจะเข้าไปบินทบาตในหมู่บ้านหรือในนิคมแล้วให้ทายกถวายหรือไม่ให้ทายกถวายแกภิกษุนั้นแล้วนิมนต์กลับต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังนิมนต์กลับต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อนิมนต์กลับแล้วต้องอาบัตปาจิตตี 3. ส, สะโภชนะสิกขาบทภิกษุเข้าไปนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคนสองคนต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังนั่งต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อนั่งแล้วต้องอาบัตปาจิตตีสี 4. พระโหปฏิชนะสิกขาบทภิกษุนั่งบนอาสนะที่กำบังในที่ลับกับมาตุคามต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. นึ่กำลังนั่งต้องอาบัตทุกกฎ 2. เมื่อนั่งแล้วต้องอาบัตปาจิตตีห้าพระโหนิสัชชะสิกขาบทภิกษุนั่งในที่ลับกับมาตุคามสองต่อสอง ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังนั่งต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อนั่งแล้วต้องอาบัตปาจิตติ 6. จาริตะศิขาบทภิกษุรับนิมนต์ไว้แล้วมีพัฒตรารอยู่แล้วไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่เที่ยวสัญจรไปในตระกูลทั้งหลายก่อนเวลาฉันพัฒตราร หรือหลังเวลาฉันพตาหารต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. 9ก้าวเท้าที่หนึ่งล่วงธรณีประตูต้องอาบัตทุกกฎ 2. 9ก้าวเท้าที่สองล่วงธรณีประตูต้องอาบัตปาจิตตีเจมหานามสิกขาบทภิกษุออกปาขอเพศัตว์เกินกว่ากำหนด ต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งกำลังออกปากขอต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อออกปากขอแล้วต้องอาบัตปาจิตติแปดอุ ย, ยุตเตเสนาสิกขาบทภิกษุไปดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังไปต้องอาบัตทุกกฎ สยืนดูในระยะที่พอมองเห็นต้องอาบัตปาจิตตีเก้ 9. เสนาวาสะสิกขาบทภิกษุพักแรมอยู่ในกองทัพเกินกว่าสามคืนต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กําลังพักแรมอยู่ต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อพักแรมอยู่แล้วต้องอาบัตปาจิตตี 10. อุยโยทิกะสิกขาบทภิกษุเที่ยวไปสู่สนามรบต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังเที่ยวไปต้องอาบัตทุกกฎ 2. ยืนดูในระยะที่พอมองเห็นต้องอาบัตปาจิตติอาเจและกะวกัที่หจบ